ภาษาคนภาษากายภาษาใจภาษาสัมผัสภาษารักภาษาใบาแม่สอนให้กินเป็นอยู่เป็นนอนเป็นหลับเป็นตื่นเป็นแม่สอนให้รู้จักถูกผิดดีชั่วบุญบาปอันไหนควรอันไหนไม่ควรแม่สอนให้รู้จักสายสัมพันธ์ สอนให้ทำกับข้าวสอนให้กินผักแม่สอนเย็บปักถักร้อยแม่สอนให้รู้จักพระพุทธศาสนาแม่สอนให้รู้ว่าการตักบาตรให้ความรู้สึกที่งดงามในหัวใจสอนให้ไหว้ให้กราบสอนให้กทซาบคุณพระรัตนตรัยสอนให้ไปวัดฟังธรรมสอนให้จำคําพระเทศ จากนารกสวรรค์สอนให้ผูกพันกับความดีงามแม่สอนแม่สอไนไเรา แม่สอนให้ก้มให้ถ่อมสอนให้ยอมให้เย็นและยืดหยุน่นแม่สอนว่าร้องให้ได้ในบางเรื่องแต่บางเรื่องต้องอดทนจนถึงที่สุดแม่สอนว่าบางเรื่องเราถอยได้แต่บางเรื่องแม้ก้าวเดียวก็ถอยให้ใครไม่ได้แม่สอนว่าใครทําคุณกับเราต้องจำ ทำคุณกับใครให้ลืมเสียแม่สอนว่าแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปจงเรียนรู้ที่จะหยัดยืนต่อไปให้ได้ในวันที่ลูกไม่มีแม่ สอนว่าคนเราล้มได้ลุกได้เห็นคนล้มอย่าข้ามเห็นคนต่ำอย่ามินเห็นคนดีได้ดีควรอนุโมทนาเห็นคนชั่วได้ดีจงอยู่เสียให้ห่างไกลแม่สอนว่าอย่าลืมกราบพระก่อนนอนกราบลงที่หมอนทุกครั้งอย่าลืมกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์กราบผู้มีพระคุณ คุ้มเกตคุ้มก้ากราบพระเจ้าแผ่นดินแม่สอนว่าถ้าแม่จากไปแล้วไม่ได้หมายความว่าโลกนี้จะไม่มีแม่เพราะตัวลูกนั่นเองคืออนุสาวรีย์ของแม่ถ้าลูกเป็นคนดีคนเขาก็จะยกย่องแม่ถ้าลูกเป็นคนเลว อยากให้คนเขารู้จักแม่ในฐานะไหนละ่ะถ้าลูกเป็นคนดีอนุสาวรีของแม่ก็งดงามถ้าลูกเลวทาอนุสาวรีของแม่ก็อับประยุกต์ลูกอยากให้คนเขารู้จักแม่ในฐาน